ก็คือไม่ได้อะไรครับคือคือเราปฏิบัติเพื่อไม่ต้องการอะไรเลยนี่แหละจริงไหมเพื่อเราต้องการจะละความต้องการในสิ่งทั้งปวงเนะี่ยทีนี้เราอยากได้อยู่แล้วพิติครับมีมีเหตุผลหนึ่งเนี่ยผมผมสาคัญตนเเป็นพระระหานนะจะเล่าให้ฟังนี่คํานขำดีคือความที่มันเข้าใจผิดอยู่เป็นพื้นครับว่า พระอลหารตออา์ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องนั้นมันเข้าใจมันเข้าใจตัวเองเนี่ยทีนี้ผมก็ไปปฏิบัติวันหนึ่งยมันเกิดขึ้นมาครับมันสะอึกขึ้นมานะมันคล้ายคล้าลมาหายใจจะสิ้นครับสองสามครั้งแล้วผมล้มทั้งยืนนะล้มลงบนพอดีตรงนั้นมีเก้าอีา้พ้าใบผมล้มตึงลงไปเอ๊พะพอลุกขึ้นมาเนี่ตัวอ่อนกมดเลยเนะยนุม่มเหมือนไม่มีกระดูก โอ้โฮมันสบายเลยนี่ห้องห้องนี่สว่างหมดที่พอดีเด็กเขามอาละกอเชื่อมมาให้ครับผมก็ตักก็แตะที่ลิ้นหวานเจี๊ยบแล้วขาดเอะผมแค่สงสัยเราบรรลุธรรม้วเนี่ยเพราะเพราะมันขาดตอนหน้าตาก็จริงๆอ่ะไมผมไม่ได้หลอกตัวเองนะคือมันหวานเจี๊ยบแล้วขาดปุ๊บลงไนะมันแค่้ายๆมันอยากได้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่รู้ตัวว่าเราต้องการอยู่แล้วเนี่ยไปสร้างความรู้ลงหน้านี่อันตรายมากครับ ผมก็ตอนนั้นเป็นนักบวชด้วยครับก็เอาบาตไปล้างตอนเดินไปนี่แหมเหมือนลอยไปนะครับมันรู้สึกสบายมากมันอิ่มเอิมันหลอกผมเดินไปถึงลําธารก็พอเท้าเหยียบก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันรู้ล่วงหน้าทีว่าก้อนหินจะพลิกพอเห็นอย่างนั้นออืทําไมมันเกิดยานล่วงหน้านี้เนี่ยมันคือมันคือคันมัไปเรียนมาครับมันเรียนมามันก็หลอกมันหลอกตัวมันเองครับ พอบาดวางที่บาดมันลื่นมันจะไหลามาเนะี่มันรู้ครับมันรับโอ้โหผมคิดว่าโอ้โหหน้าดูแล้วเราคิดอย่างนี้แล้วเมื่อกี้มันหน้าดูแลหน่าดูแล้วลทีนี้พอออกพรสษาผมก็ไปหาอาจารย์ครับไปหาอาจารย์ที่ที่สอนธรรมฐานผมพอท่านเห็นหน้าผมท่านโวยวายครับพูดเอผมนึกนะอาจารย์ว่าอาจารย์คงไม่รู้จักผมทแล้วเนี่ย ก็คือมันมันไม่รู้จักตักตวเองนะท่านพูดอะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งผมผมยัวนะแล้วมันยังไม่รู้จักว่าเนี่ยโมโหเลยยังยังคิดว่าตัวเองเป็นพระหรหันด้วยอีกพระรหันขี้โมโหเอ้ยผมนึกในใจว่าอาจารย์คงไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยผมก็เลยหนีเลยหายไปเดือนเศษพออีกเดือนในนี้ไอ้ภาวะชนีดมันหายไปมันกลับทุกข์อีกแล้วครับค่อยๆนึกถึงคําของท่านได้ว่าเออจริงๆดนะ้วยเนี่ย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 นี่ความที่อาจารย์ไม่ไม่ฉลาดในการสอนสอนแต่ท่านฉลาดในการแก้ลมดังนั้นพอรู้สึกเขาไปเดินไปเดินมาพอเดินจงกลมไปสุดทางด้านโน้นเป็นโสดาหันกลับมานี้ถึงเป็นส ก, กิทาขึ้นมาเนอะกูม ค, คิดตัวเองครับพอเลี้ยวไปทางโน้นเป็นอนาคาร์เนี่ยพอมาอีกทีเป็นพระราหันเนี่ยอาจารย์ก็ยืนรอพอเป็นพระหรหันอาจารย์ก็ตกปเปลยงเขาก็รู้สึกตัวเอ้มึคิดเอาเท่านั้นเอง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 ผู้ที่เห็นพระเจ้าเขาจะเรียกว่าเขาเติมท้ายส้อยนามว่าเทพครุเทพคือเป็นเทวดาเขาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นเทพหรือเป็นเทวดาแต่ในพุทธศาสนาเรานะครับผู้รู้ธรรมเนี่ยคือคนธรรมดาครับเราใช้ใช้สอยนามว่าอาริยบุคคลคือยังเป็นคนอยคือคนธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าเป็นอริยคือห่างไกลจากกิเลส ถ้าเป็นพวกอินดูพรามันเขาเป็นเทวาครับเป็นเทวดาคพ่อเขาถือาระดับชาญเป็นเครื่องวัดแต่ว่าในพุทธศาสนาเราใช้คําว่าอย่างคนธรรมดาเรียกปุถุชนครับชนนิ่มเป็นผู้พ์คือคนมันจํานวนมากถ้าเป็นเอกพจน์ก็เรียกปุถุบุคคลทีนี้จากปุถุบุคคลนี่มันกลายเป็นอริยบุคคลคือยังเป็นบุคคลนึ่างครับเป็นคนเนี่ย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 แต่ว่าพระเจ้ามีความฉลาดความสามารถมีบารมีด้านอื่นมากเชนฉลาดในการสอนฉลาดในการแยกแยะแจกแจงแต่ว่าผลที่เข้าถึงนั้นเท่ากันทีนี้ถ้าถ้ามากกว่า น, นั้นนะครับพระพุทธเจ้ากับปุถุช น, นที่จริงเหมือนกันทุกประการเลยคือมีธรรมชาติเสมอเหมือนกันแต่ว่าปุถุชนนั้นไม่ไม่เข้าถึงส่วนพระเจ้าท่านเข้าถึงข้อต่างก็มีอย่างนี้ ดังนั้นพระเจ้าเองจัดไหมครับว่าตราบใดที่มีโบหารว่าท่านจัดว่าตราบใดที่เราและเธอยังไม่รู้แจ้งอะไรสัตว์เราและเธอยังวนเวียนในวัตฏสงสารครับคือท่านไม่คิดว่าท่านท่านพิเศษกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็เวลามีกามราคะเกิดท่านเป็นสา ร, รภาพพระเจ้าท่านเป็นคนผมคิดว่าพระเจ้าเป็นมนุษย์ที่สัตว์ซื่อที่สุดเป็นาศาสดาที่สัตว์ซื่อแต่เพื่อนมนุษย์ที่สุดคือไม่อ้างตัวเป็นเทวดาเข้าใจไหมครับ ่อ่างโอ้ยนี่ฟ้าดินก็ส่งนะท่านไปพูดอย่างนั้นเวลาท่านปฏิบัติยังเป็นพระภิกษุพนักบวชหนุ่มอยู่ท่านมีกามราคะรุกรานท่านก็บอกเล่าให้พระฟังว่าท่านติดกามราคะแล้วหมุนไปไม่ได้จิตไม่เคยบรรลุสมาธิท่านก็เล่าตามที่เป็นจริงท่านกลัวผีท่านก็เล่าให้ภิกษุฟังว่าท่านกลัวผีจะเป็นเทวดามันต้องไม่กลัวสินะ อย่างพดูอย่างพระเยซูก็ดีอะไรนี่เขาบอกว่าเป็นโอรสของสวรรค์เป็นพระบุตรของพระยาฮวาห์มันราก็ว่าเป็นสิ่งสําเร็จมาแล้วตั้งแต่คลอดเลยนะดังนั้นพวกคริสเตียนก็นับถือพระเยซูเนี่ยอย่างชนิดแต่ต้องไม่ได้ครับอใครไปอ้างว่าเขาเป็นพระเยซูเดี๋ยวถูกตึงนะครับหรือเออย่างพระเยซูนี่เขาถือว่าตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยนะครับเป็นเป็นองค์พระเจ้า ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับจนกระทั่งวันสุดท้ายแต่ผู้เจ้าเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีท่อนต้นคื อ, อเป็นเจ้าชายศิริทัตถ์เจ้าชายสิริทัตถ์ก็คือปุถุชนครับก็เต็ ม, มไปด้วยความโลภความหลงเหมือนเหือนกับทุกๆคนแต่ว่าท่านอาจจะมีแนวโน้มเองที่ที่ดีคือสั่งสมบารมีไม่มากฉลาดเมตตาอะไรนี้ น, นะครับแต่ก็ยังเป็นปุถุชนผมเคยอธิบายละเอียดแล้วใช่ไหครับพอใต้ต้นโพนั้นะท่านเปลี่ยนชีวิตไป แต่ว่าชีวิตทางกายก็สืบเนื่องกันอยูด่ดังนั้นถ้าเราไปดูในพระสูตรนะพระเจ้าท่านตอนสเสด็จไปดับขันธิที่กุสินาราท่านหิวน้ําครับสั่งพระนรินไปตักน้ําพรานรนบอกว่าเกวียนเพิ่งผ่านเน้่ยน้ำมันขุ่นเนี่ยท่านพูดอกว่าท่านหิวจนทนไม่ไหวแล้วนะ ท่านก็คือคนธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกิเลสเทนะทีนี้บางคนเข้าใจนะครับบางพวกกเจ้าพุะเจ้ามีลิ์มีเดชตอนไปรีพานทำไมพระเจ้าไม่เหาะไว้ให้มันหมดเรื่องไปนะจะมาถอสังขารนีที่จริงเรื่องนั้นขัดกันเองเป็นบ้าเป็นหลังเลยเข้าใจไหมครับเลยขึ้นจะมงเลยท่ประชุมเหมือนกัน